การภาวนาเป็นเรื่องทดสอบคายว่าใ จ, ใจของเราแล้วก็อย่างยิ่งทดสอบจิตใจอ่านดูเรื่องของใจ ปกติใจเขียนวันยังคำเขียนแล้วไม่ยอมอ่านเขียนวันยังคำเขียนกับเรื่องกับลาวเ่งนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องแั่เรื่องอดีตอนาคตแม้ไม่เคยปรากฏไปพบไปเห็นเลยกบนำมาเขียนได้ยิ่งไปหน่อยนี้สายของจิตชอบคิดชอบคุ้มจึงเหมือนกับว่าชอบเสียนแต่ไม่ชอบอ่าน มีการทอนานมีเป็นการอ่านเองมี ใ, ใจของจิตชอบจิตชอบปรุงไปทางใด จ, จะแสดงออกมาในขณะที่เราตั้งข้อสังเกตขึ้นมาในเวลาภาวนาเราจะได้ทราบครับว่าจิตนี้กระดุกกระดิกดิ้นรนกดแกว่งมากทีเดียวไม่ดีธรรมดาไน้าเลย เป็นนิสัยของศิษย์ิ่งไม่ได้ทดสอบดูความผิดถูกทั่วดีของตนด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีขอบเขตทำตามความคิดสิ่งที่เสียไปยิ่งมีมากมายกว่าที่จอและผลประโยชน์จากความคิดนั้นๆเพราะฉะนั้นหลักของศาสนาท่านจึงสอนให้กันครองเรื่องความคิดดีทั่วตลอดความกระพฤติผิดถูกทั่วดีของตนเพื่อเทียง ดูทุกสัดทุกส่วนบรรดาที่แสดงออกไปอาจจะเรียบศาสนาว่าเป็นเครื่องมือก็เหมือนเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมสุดเป็นมือในการสร้างบ้านสร้างเดือนจะสร้างอะไรต่างเครื่องมือนี้พร้อมอยู่แล้วทุกทุกอย่างนอกจากเราจะนํามาปร ะ, ระกอบถึง ไ, ไปตามเครื่องมือนั้นได้หรือไม่เท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้ตกแต่งด้วยเครื่องมืออันดีงามของช่างผู้มีความเฉรียวฉละแล้วสิ่งนั้นๆก็จะเป็นความสวยงามแน่นหนามงคมใช้การใช้ ง, งานก็ได้เป็นเม็ดจนหนุนกายวายจาใจของเราก็เหมือนกัน ยงแต่รูปร่างของคนคนหนึ่งที่เกิดมาก็เหมือนกับไม้ที่ยืนต้อนอยู่นั่นแหละจะเป็นไม้ชนิดใดก็าตามเนื้อหนาต้น เ, เนื้อแข็งเนื้ออ่อนนั่นสำคัญสำคัญที่ในช่างผู้ฉลาดนำมาดัดแปลงแก้ไขให้เป็นสิ่งต่างๆตามความต้งองการของตนเช่นปูบ้านปูเดือนนึกทาตู้ทาสี ก็เก่าอี่เอาไวก็แล้วแต่จะทำด้วยความถ น, นัดของผมถึงนั้นๆก็เสมดุประโยชน์ขึ้นตามคุณสมบัติของเนื้อไม้นั้นๆแล้วเมื่อได้รับดับดแปลงตนเองจากเครื่องมือคือทำคำตัดสอนของพระพุทธเจ้าก็มองเห็นคุณค่าของตัวขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่ง คุณค่าของมนุษย์เรานี้ไม่ได้อยู่ที่เนื้อที่หนังไมไ่อยู่ที่กระดูกไมไ่อยู่ที่รูปร่างกลางตัวเพียงเท่านี้เหมือนสัตว์ทั้งหลายที่เขามีคุณค่าราคาด้วยเนื้อหนังของเขาแต่มีคุณค่าอยู่กับความประพฤติความรู้ความฉลาดความประพฤตินี่เป็นคุณค่าของมนุษย์เราสูงอยู่ที่ตรงนี้ มนุษย์ไม่มีสิ่งเหล น, นี้เป็นเครื่องกระดับกายวาจาใจของตนให้มีความสวยงามขอแสดงว่าหมดคุณค่ายิ่งกว่าสัตว์ได้อีเพราะจะนําร่างนี้ไปขายเหมือนสัตวนั่นก็ขายไม่ได้เกระจายตลาดเดี๋ยอะตลาดแตกกันหมดร่างกันหมดไม่เหมือนเนื้อปูเนื้อปลาทั้งหลายโลกก็ถือกันทราบม เราดูได้อยู่ในบ้านในเรือนตามต่อไปของเราก็าไม่อดทราบของ ส, สัต์แล้วไม่รังเกียจแต่ทราบมนุษย์จะไปอยู่ในที่เช่นนั้นไม่ได้โลกถือกันแต่เช่นนั้นสิ ง, งมนุษย์เราไม่ได้มีคุณค่าแค่เนื้อหนังมังสังเพียงเทน่านี้แต่มีคุณค่าอยู่กับความประพฤธิอันดีงามของตนเราจึงควรสนใจดัดกายวาจาใจของตน ให้เป็นภายในทางที่ดีที่สอดดับเสมอใจของเราก็มีความเคยชินต่อทางดีความงามด้วยมารยาอันดีงามงามอย่างลึกซึ้งงามไม่มีวันเปลี่ยแนแปลงไม่มีวันร่วงโรยงามอยูด้วยสม่ำเส ม, มอไม่เปลี่ยแนแปลงไปตามไว้ เป็นความงามในวูปยาพหลายนั้นก็ายกคล้ายแต่มีความเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกปีทุกเดือนถ้ามันมีความงามที่เป็นสาระสำคัญอยู่ภายในคือทำเป็นเครื่องกระดับไป็นที่เพื่อนสิน่งเสริมไม่ได้แล้วคุนค่ายห่งความงามของส่วนร่างกายโดยเฉพาะเปลี่ยนเท่านั้นเขาจะลดโรยลงไปโดยลำดับทรื่อ่โรยลงไปเรือย แเ่พาะอย่างยิ่งการอบรมภาวนาพยายามระงับจิตของตนให้หยุดตรุงแต่งจากสิ่งทั้งหลายที่เคยตรุงแต่งมาแล้วแต่ไม่มีสารกใดๆมันเยอบ้างแล้วสังสมความตรุงแต่งที่จะให้เป็นความแน่นหนามั่นคงและสงบ เยน็นแต่จิตใจของตนเปลี่ยนงานหน้าที่นี้ให้ใจได้ทําเช่งตรุงแต่งว่าพุโถเป็นต้นหนึ่งก็ปรุงเหมือนกันแต่ปรุงปรุงด้วยธรรมจึงผิดกันที่ตรงนี้ปรุงตามลําพังของจิตที่เป็นไปตามหน้าของความอยากปรุงอยากจิตธรรมดานั้นอย่างหนึ่งปรุงด้วยความจงใจปรุงด้วย ความคิดความสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์แต่ตนนี้เป็นกการหนึ่งดางที่เราพูงเรื่องภอวนาเป็นกำหนดพุกโพธิ์ธมโวทัํงโค บ, บ, บุนใดก็ตามในบรรดาธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์แก่ใจ ม, มีสติระมัดระวงังรักษาอยู่ตลองานของตนเท่านั้นใจย่อมมีความจดจ่ออยู่กับงาน และเป็นปัจจุบันนักจิตเป็นปัจจุบันนธรรมสืบเนื่องกันไปโดยลำหนักลำหนักจนกลายเป็นเอกจิตเอกธรรมขึ้นมาคำว่ า, าเอกจิตหมายถึงมีจิตคือความรู้อันเดียวเอกธรรมข้อสว่างสบายอยู่ภายในจิตดวงเดียวมีเท้งนั้นตอนนั้นแลเป็นตอนที่ใจมีความสว่า ง, งสบายมีความมเย็นเป็นสุขความสุขของใจจิตกับความสุขทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาและในโลกนี้น ถ้ามีความสุนใจใจเฉื่อเหมือนเพราะฉะนั่งศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะปริทินแต่นานแล้วก็ตามและประกาศประกาศาสนาไว้ทั้งสองพันห้าร้อยกว่าก็ตามก็มีคุณค่าอยู่เท่าเดิยปพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ร่วมรับไปแล้วพระองค์ตอบไปที่เป็นอนาคตก็มาตรัสรู้ทรมันเก่านี้แนหะทำมันเยี่ยมยอนนี่นะีละไว้ให้โลกทั้งหลายใน สืบนองต่อข้าแหน่งกันไ ป, เ, ปนนนเพื่อจะไม่ได้ขาดเพื่อแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีมนิสัยธรรมภายในใจสืบต่อเลื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราและต่อไปอีกเรื่อยๆ ร, รายธรรมถ้าสงบเราจะไม่เคยปรากฏก็ตามเราจะทราบทันที ภายในตจของเราเองคำว่าสงบนั้นหยุดความปรุงแก่ทั้งหลายที่เคยปรุงเคยคิดแก่งสงบลงก็บอกก็เป็นจุดแล้วสงบอย่างหนึ่งสงบจนขาดไปเลยในขณะนั้นทมเหมือนไม่เคยคิดเคยปรุงเลยความคิดความปรุงที่เคยปรากฏขึ้นก็จิตตอนนั้นหายเงียบระงับไปหมด ท่านเรียกว่าจิตยุดตึงหจุดแต่ความคิดนึกอะไรไม่หมืดเหลือแต่ความลุม้นลวนจิตที่จะจุดได้อย่างนี้ได้ด้วยการแหงพลด้วยการภาวนาะด้วยการอบรมด้วยการากระมัดระวังนับสาจิตด้วยจะติขอให้ปรากฏเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นก่อนแล้วความสุขความสงบที่ปรากฏขึ้นใน ในขณะนั้น่ะหากว่าเราไม่เคยปรากฏ ต, ต่อไปอีกเล ย, ยนี้จะเป็นเวลาตั้งจิตปีกตามเราจะไม่ลืมความเป็นของจิตในขณะนั้นเลยนอกจากใจของเราจะปรากฏเป็นความสงบสุขไปเรื่อยๆและละเอียดสุขขุมไปโดยลําดับลําดับนั้นอาจมีการลืมได้คือจิตใจไม่ดูดดื่มในสิ่งที่เราปรากฏในเบื้องต้นเพราะ ความสงบที่ละเอียดสุก ข, ขุมยิ่งกว่าขั้นเริ่มแรกของเราเราได้รับเราได้ปรากฏติดเสมอเสมอด้วยการฝึกอบรมของเราจะนั้นจิงเป็นเยกใหด้ดูดื่มไปในธรรมเรื่องสูงขึ้นเป็นลำหลักห้เแต่ให้ลืมจิงที่ปรากฏเคยปรากฏมาแล้วนั้นไม่ลืม้าจิตปรากฏขึ้นมาในครั้งหน้า แต่ไม่ปรากฏอีกเลยนั่นจะเป็นกี่ปีก็ตามแน่ใจว่าไม่ลืมงาง่ายๆเพราะเป็นความสุขที่แ ป, ปรหลาดและอัศจรรย์คือความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมาอธิบาย ท, ทั้งด้จิตสงบให้ท่านผู้สังทั้งหลายได้ทรับทางภาพปฏิบัตินี่ไม่ได้หยิบยกมาจากปริยัต ศึกษาเราเรียนมาอย่างนั้นอย่างนั้นเรายกบูชาไว้ที่เรียนมาทางภาคปริยัตคือทาบศึกษาภาค เ, เรียนมาอันนี้เราพูดภาคปฏิบัติเวลาเรานํามาปฏิบัติผลปรากฏอย่างไรบ้างนํามาแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจว่าธรรมเป็นธรรม เรียนทำต้องรู้ทำปฏิบัติธรรมต้องรู้ผลของการปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเป็นของจริงไม่มีลี้ลับเป็นความจริงตลอดมาแต่พระพุทธเจ้าในแต่จะรู้ในวันแรกจึงกระทั่งทุกวันนี้เป็นธรรมของจริงตลอดมาไม่เคยลดราวาสอบแม้แต่ น, อน้อยการปฏิบัติ โดยความสนใจและถูกทางตามที่พระองค์ท่านสอนไว้เราจึงมีหวังผลที่จะทุนได้รับเช่นเดียวกับค ร, รั้งเทธกาลคือสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงปุนอยู่ทังที่สาวกทั้งหลายได้บรรลุตามลำดับํำดาวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่มีส่วนใดยิ่งย่อนไปกว่า ที่พระองค์ทรงประกาศไม่แล้วนอกจากการปฏิบัติความสามารถของผู้ปฏิบัติจะไม่สามารถเหมือนครั้งนั้นเท่านั้นผลจริงอาจเป็นไปตามการกระทาเพราะเหตุกับผลเป็นไปตามกันจะก้าวก่ายกันไม่ได้ ในครั้งพุทการท่านสอนกันเน้นหนักลงทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปรากฏผลจึงมีมากมายกายของผิดกับสมัยทุกวันนี้มากเพราะทำเป็นธรรมจริงๆทำไม่ได้กลายเป็นโลทำเป็นธรรมผู้เรียนทำก็เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมเพื่อเห็นธรรม เพื่อความสุขความเจริญเพื่อความอดทนจากทุกด้วยธรรมนัดคำว่าธรรมธรรมนี้แนบสนิท ก, กับใจของผู้อบรมศึกษาอยู่เสมอจึงเป็นฉะนั้นการปฏิบัติของท่านจึงได้ผลเป็นที่พึงพอใจมีที่อยกว่าธรรมเป็นธรรมส่วนธรรมกายเป็นโลกนั้นเป็นอย่างไรธรรมกายเป็นโลกไม่ต้องพูดที่อื่นนี้จะว่าชัววดี อาจารย์ก็ขออภัยอาจารย์นี้ไม่ใช่แต่ดีเกียทุกอย่างนั้งที่มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายทางลัมดอนเราแต่หัวใจมีก็มาแต่ความดีความชั่วเมื่อมีในตัวแล้วก็ต้องติดตัวมาเหมือนกันจึงขอยกตัวอย่างที่เรื่องทาเป็นโลกให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นข้อสังเกต เบื้องต้นเรียนหนังสือพอได้นักธรรมตรีขึ้นมาแล้รู้สึกดีอกดีใจเราหาได้ทราบไหม่ว่ากิเลสของเราน่ตัวโตขนาดนักธรรมตรีนี่แล้วก็สอบอีกได้นักธรรมโทอีกอดีใจใหญ่กิเลสเราพองขึ้นสูงอีกนะแล้วนักธรรมเอกได้อีกมหาพยันได้อีก หมดทั้งตัวจะกล้าไม่ออกมีแต่กิเลสเต็มหมดเป็นอย่างนั้นได้ประกาศเป็นเนบัตทำปีนักทำโพนักทำเอกตัวรู้ตัวฉลาดจริงๆมันเป็นความสำคัญขึน้นมาพันใจทั้งๆไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดอะไรเลย จำไ ด, ได้เฉยเฉยนี่จำี่เลกก็จำชื่อได้ที่เรก ต, ตัณหาอาสวภะอย่างนี้จำได้แต่ตัวที่เลกจริงๆไม่เคยหลุดลอยออกจากใจเลยพิเลก ต, ตัณหาอสวะความโลภความโกรธความหลงนะราคลโทสามมุขไม่เคยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเรียนมาความจำได้นั่นเลยนี่แต่ความสำคัญภายใจว่าตัวนรู้ตนฉลาด ได้ชันนั้นทัานนี้นี่แหะที่ว่าทำกลายเป็นโลกมันเป็นที่หัวใจของเราเองแต่ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่ทราบว่าธรรมนี้ได้กลายเป็นโลกไปเมื่อไหร่เราเรามาปฏิบัติที่ะตอนกลายเป็นโลกเราก็ไม่ทราบมีความสนใจที่จะปฏิบัติพอมาตั้งใจปฏิบัติจริงๆจิตมุ่งก็ออดต่อธรรม ในเรื่องที่ความสําคัญนั่หมายซึ่งพองตัวยิ่งกว่ภูเขาเท่าโูกนั้นค่อยลดตัวลงนักธรรมตรีลดลงไปนักธรรมโพลดลงไปนักธําเอกลดลงไปมหาปเปรียญลดลงไปลดลงไปในความภายในความรู้สึกจนไม่อยากจะพูดชื่อเจ้าของว่ามหาไม่อยากให้มีเลยมันก็แปลกเหมือนกันคิดเหน็ดแฝงกิเลน ควไม่อยากให้มีมหาเลยมันก็คือเรื่องของพิเดตตัวหนึ่งอีกเหมือนกันเลยแต่เราไม่ทราบานะไปไหนไม่อยากจะออกชื่อออกนามเพราะได้เห็นโทษของตัวพิเดตที่มันออกหน้าออกตาเหลือเกินทาวนี้คิดเข้าใจว่าเป็นความคิดถูกเขียนแม้แต่ลายชื่อของไม่อยากให้มีชื่อมหาแสนเลยทีนี้มันก็เป็นอีกฉางหนึ่งว่าตะกอนมันอยู่ข้างหน้าเราชื่อเรามันอยู่ข้างหน้า นี่กลับมาไว้ข้างหลังให้คุณข้างหลังได้อ่านเออมันแปลกเหมือนกันวิเดีมันไม่อยู่ข้างหน้ามันก็ไปอยู่ข้างหลังนี่เวลาเราปฏิบัติกันมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจเรื่อยๆสิ่งที่เป็นธรรมทั้งหลายมันค่อยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาจิตจอมพร้อมทั้งหลายที่เคยเป็นขึ้นมาที่ว่าโลกธรรมการเป็นโลกมันค่อยค่อยสลายตัวไปสลายตัวไปเห็นได้ชัดภายในใจิตใจ เรียนเพียงย่อๆท่านนับปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพินจพิจารณาแต่การกล่าวทั้งนี้เราไม่มีการยกโทษเพื่อการกระทบกระเทือนแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดแต่เราพูดขึ้นมาตามหลักความจริงที่เป็นอยู่ในสัตว์สังขารในท่านและเราทั่วไปว่ามันเป็นได้อย่างนี้โดยที่เราไม่รู้สึก ความเป็นอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นอะไรจะเรียกว่าโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมหรือธรรมเป็นธรรมหรือธรรมกายเป็นโลกเาจะได้แจงกันออกมาให้เข้าใจเรื่องความเป็นภ า, ายในจิตใจซึ่งแฝงมีกลุ่มมายามากถ้าไม่ใช่สติปัญญาที่แฝงไปด้วยอจดุ้ธรรมนี้วจะไม่มีทางแก้ไขจิตใจซึ่งเป็นตัวสำคัญตัวที่แฝงไว้ด้วยกลุ่มมายามากมายน่ากอม น, นี้ได้เลย เมื่อเราได้ฝึกขัดอบรมคำว่าสมาธิที่เคยได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อในตำราก็ามาปรากฏขึ้นที่ใจของเราเองความสงบสมาธิความตั้งมั่นของใจแต่ก่อนเราเรียนท่องได้จนปิดปากปิดใจแต่หาได้เจอไม่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรแน่ เวลามาปฏิบัติเขามาเจือเอาจริงๆที่หัวใจสมาธิคือความมั่นคงของใจกับมั่นคงไปโดยลำดับสงบไปโดยลำดับเห็นปะจากภายในใจนี่เรียกสมาธิถองคิดเป็นสมาธมิเรียนสมาธิรู้ทั้งชื่อสมาธิรู้ทั้งตัวสมาธิรู้เข้าที่ใจของเหล่านี้มีปฏิบัติแยกแยะจิตใจออกทางด้านปัญญา คว้ า, วาพินิจพิจารณาถึงเรืงธากุเรืงขันธาตุสี่บินน้ำลมไฟได้แก่อะไรบ้างคือรูปกายของเรานี้รวมแล้วเรียกว่าธาตุสี่บินน้ำลมบินน้ำลมไฟแยกแยะไปทั้งภายนอกขั้งภายในประสาประสานและได้ทุกขทุกส่วนรวมแล้วลงใ น, ในอไตรนักษณอนิจจมุกขรรค า, าทั้งส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดรู้เท่าทันไปโดยลําดับลำดับเรื่องของปัญญาที่เราเคยได้ยินแก่ชื่อ ในตำหนักตำนาและเราท่องได้จนติดปากติดใจเราก็ได้ชื่อก็ได้ตัวปัญญาจริงๆที่หมุนรอบอยู่ภายในใจของเราตัวสติที่หมุนรอบกิเลสขอดถอนกิเลสตลอดวันดั่งคําคืนยังรุงเราก็เห็นอยู่ที่ใจของเราไม่เห็นที่อื่นใดนอกจากหัวใจกับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นปราปกฏอยู่เห็นได้ชัดทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้สมาธิก็เห็นได้ชัดจากใจ สติปัญญาก็เห็นได้ชัดจากใจดวงเดียวนี้ทีนี้คําว่ามักว่าผลเราจะไปสงสัยที่ไหนมักก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นสติแล้วจิตจะไม่มีมากอย่างไรผลคือความหลุดพ้นจากสีขัดข้องยุ่งเหยิงไปโดยลําดับลํำดับที่ท่านไอ้ี่วัคคิเลศก็บุดไปโดยลําดับลำดับจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรจะหลุดเพราะมันหมดไปเส็จแล้วในภะ า, าย จ, จิตใจ เราจะเรียกว่าอะไรจะไม่เรียกว่าผลจะเรียกว่าอะไรนักนันก็เห็นยุทธิ์กายนี้ทั้ทงนั้นคําว่าทุกข์กาดีสมู่ไทยก็ดีมรรค ก, ก็ดีนิโรธก็ดีไม่เคยเสื่อมสูนญอนตระทานไปจากจัดจากสังขารจา ก, จากท่านจากเราเลยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าเราจะพยายามสั่งสมหรือส่องเสริมมรรคคือข้อปฏิบัติ ให้มีขึ้นภายในใจิตใจมีสติปัญญาเป็นปปัญญาเ็นต้นอบรมบจิตใจเป็นเครื่องรักษาจิตใจไว้ด้วยดีเพื่อเป็นการต้านทานพิเดียร์อาชวะที่จะแทรกเข้ามาและทําลายสิ่งที่มีอยู่ค่อยหมดไปโดยลำํลำดับําัๆทําไมจิตของเราจะบริสุทธิ์ไม่ได้จิตของเราจะไม่เบาจากพิเดีอาชวะเครื่องกดถ่วงทั้งหลายได้ ทำไมจิตของเราจะเป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานไม่ได้เพราะพรุทธเจ้าท่านจะสอนไว้ทําไมเพราะพระพุทธเจ้าสอนทำสอนด้วยความรู้ความขนาดจริงๆไม่ได้สอนด้วยความโง่เขลาบ่าปัญญาเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทท่านท่านฉลาดยิ่งกว่าเราทําไมท่านจะสอนสุ่งสูงสุดฮะทิ้งเหล่านี้ต้องปรากฏในเราอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัย อธิบายถึงเรื่องทำเป็นธรรมธรรมกายเป็นโลกแล้วโลกกลายเป็นธรรมธรรมอยู่ในตัวของเราโลกอยู่ในใจของเรากิเลสอาสวะอยู่ในใจของเราทุกตะมูไทยมีโรสมรรคอยู่ในใจของเราเมื่อพิจารณากันแก้ไขกันให้เต็มที่แล้วมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจของเราเลยหายสงสัยไม่สัดจะไปถามอะไรจะถามผู้ใดจะถามใคร เพราะคำว่าสันทิิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นทรงประทานมาไว้แล้วตั้งแต่วันตรัพย์จรูธรรมสอนโลกจึงไม่มีข้อข้องใจสงสัยสำหรับผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนจริงิงแล้วผลที่พึงพอใจจะต้องได้รับดังทั้งพุทธการไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันนั่นเองจึงขอจะติดธรรมเพียนแค่นี้ก่อน ท่านปัญญากับการท่านปัญญาที่มาครับถ้าอธิบายอย่างนี้ผูู้จะอธิบายต่อมันก็จะเข้าใจเพราะมันมสืบต่อความเชื่อยู่ด้วยเข้าใจตรงไหนเขาจะมาพิมพนั่นนะ